พวกนี้เมื่อมันเข้าสู่ร่างกายแล้วการจ่อยการซึมเข้าสู่ร่างกายมันยังไม่หมดทีเดียวแล้วก็ขับถ่ายไปไม่หมดมันก็เลยติดค้างอยู่ในร่างกายผ่านไปหลายวันเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีมัคงกลายเป็นพิษไปได้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 5ปีสิบปี20ปีนะทำให้เกิดโรคแปลกๆหรือว่าโรคที่รักษาได้ยากแต่พิษในใจนี่บางทีไม่ต้องรอถึง5ปี1ิปีนะแค่อาทิย์เดียวนี่ก็สามารถที่จะสร้างความปั่นป่วนหรือสร้างความเดือดร้อนให้ทั้งกับตัวเองและกับคนอื่นได้ ยกตัวอย่างเช่นคนที่เก็บความโกรธเอาไว้เนี่ยคนที่เก็บความโกรธเก็บความพยาบ่าเอาไว้ถ้ามันอัดตั้นตันใจนี่ไม่ต้องรอนะถึงเดือนหรอกบางทีแค่วันสองสาวันนี้ก็ระเบิดออกมาแล้วพอระเบิดออกมาก็สร้างความพินาศให้เกิดขึ้นช่างที่เป็นรูปธรรมแล้วก็นามธรรม รูปธรรมก็เช่นทำลายเข้าของทำ้ายร่างกายนามาทมก็หมายถึงว่าการทำให้เกิดความสูญเสียศรทัทธาเกิดความเ้าชานนะผัวเมียสามีภรรยาก็แตกแยกกันไม่สามารถจะอยู่ด้วยกันได้เพราะการระเบิดอารมณ์ที่สะสมม า, าการล้างพิษในจิตใจจึงเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน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 แล้วก็บางส่วนก็เป็นขยะความทรงจำก็คือว่าจดจำแต่สิ่งที่ไม่ดีไอนะ้สิ่งที่มันสะสมหมักหมมในความทรงจำของเราหรือว่าหมักหมมอยู่ในพวงอารมณ์ของเราตอนนี้มันเยอะมากต้องรู้จักระบายมันออกไปแต่ก่อนที่จะระบายนี่ก็ต้องเสพให้น้อยลงก่อนนะ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 ที่เสพอารมณ์เหล่านี้นี่เขาเริ่มเห็นพิษเห็นภัยแล้วนะโดยเฉพาะฝรั่งนี่เขาหลายคนเนี่ยพอถึงวันเสาร์วันอาทิตย์นี่เขาเขาปิดโทรศัพท์เลยทั้งที่บางคนนี่ทํางานเป็นนักข่าวนะทำงานเป็นนักนังสื่อพิมพ์นะแต่ว่าพอถึงเสาร์วอาทิตย์นี่ปิดโทรศัพท์โดยเฉพา อ, อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนี่ปิดเลยจะได้ไม่ต้องไปรับรู้นะ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 ไม่มีสมาธิฝรั่งนี่เดี๋ยวนี้เขาพบ ว, ว่าเนี่ยมันมีสิ่งที่เขามารบกวนความสนใจเขาเนี่ยทุกสามนาทีเลยนะทุกสามนาทีจะมีอะไรแบบเข้ามาพวกข้อมูลทาวนสารลองนึกดูนะทํางานไปได้สักพักไม่ถึงไม่ถึงสองนาทีมากแล้วแล้วมันจะมีสมาธิได้ยังไงไอ้คนนี้คือขยะทางนั้นอนะ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 มัไปส่งเสริมสนับสนุนสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยอนุใสคือกิเลส ท, ที่นอนนื่งในสันดานนะบางทีเขาก็ใช้คำว่าอาสวะอาสวะคือสิ่งหมักดองที่มันย้อมใจนะก็คือกิเลสนั่นแหละนะเช่นกามก็ดีภพก็ดีทิฏฐิก็ดีนะอวิชชาก็ดีนะ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 การมีวินัยในการบริโภคนะก็เหมือนกับการมีสติที่ช่วยทำให้รู้จักบริโภคอาหารอย่างพอรู้จังรู้จักประมาณเคยเล่าไปแล้วนะว่าพระเจ้าเปรตดีโกสนนี่ท่านทอนลดความอ้วนแล้วก็เลิกกินจุจนกระทั่งร่างกายนี่กลับมีสุขภาพดีก็เพราะว่ามีมีคนมาพูดเตือนสติอยู่ทุกวันทุกมื้อนะ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 สะสมหมักมมเป็นอารมณ์ความรู้สึกถ้าเรารู้จักมีวิัยในการเสพข้อมูลข่าวสารเช่นใช้อินเทอร์เน็ตวันละชั่วโมงเล่นเฟซบุ o กนะวันละชั่วโมงหรือว่าเล่นเกมออนไลน์แค่ครึ่งชั่วโมงนะดูโทรทัศน์ก็ไม่เกินชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะมีขยะอารมณ์สะสมหมัก ม, มมในจิตใจน้อยลง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 ละสิ่งหมักดองหรือที่เราอาสวะนะพระเจ้าเคยตรัสไว้นะว่ามีเจ็ดประการการละอาสวะหรือหรือเรียก ง, ง่ายคือละความทุกข์นะอันแรกคือนะละด้วยปัญญานะคือมีโยนิโสมนสิกการเวลาเราเจออะไรกระทบใจนะเราก็อ่า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 กระหายน้ําก็ดื่มนะถ้าเราหิวแล้วเรากินเราก็หายหิวเรากระหายน้ําเราดื่มน้ําก็หายหายดือหา ย, หายกระหายเราโดยการละเว้นเราโดยการละเว้นก็อย่างที่พูดเนี่ยศีลแปนี่ก็เป็นการละเว้นศีลทั้งห้าข้อและแปดข้อนี่เป็นการละเว้นนะเมื่อละเว้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีไม่มีความทุกข์ไม่ไม่เปิดโอกาสให้อสวะกิเลสมันเข้ามา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 ไม่ไปพูดไปคุยกับใครนะไม่มีอะไรที่ทําไม่จาเป็นก็ไม่พูดไปคุยกับใครพยาย า, ารักษาใจของตัวให้ดีเวลามองแล้วนะก็ไม่มองออกไปให้มันนอกตัวนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการละเว้นนะเป็นการละเว้นแบบธรรมชาติแกปมณมแบบธรรมชาติพวกเราที่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 ความอดกลั้นนี้ก็ใช่นะแล้ด้วยความอดกลั้นเช่นมีขันตินอดกลั้นต่ออารมณ์มีอะไรมากระทบแล้วนี่ไม่โกรธง่ายบางคนมีใครพูดไม่ดีกับเราก็ไม่โกรธง่ายก็ปล่อยๆไปเรื่องมีขันติอดกลั้นต่ออารมณ์คนที่ไม่รู้จักอดกลั้นต่ออารมณ์นี่ก็ทําให้มันมีขยะอารมณ์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 และเว้นโดยการบันเทานะเวลามีความโกรธความพยาบาทเราแผ่เมตตาก็บันเทาได้นะอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่อา น, นิสงส์การแผ่เมตตาเราก็บันเทานะด้วยการแผ่เมตตาให้กับคนที่เขาทาร้ายเราคนที่ทำให้เราขุ่นข้องหมองใจมันก็บันเทาความแค้นความเคร่งความพยาบาทได้เราก็ละด้วยการเจริญนะละด้วยการเจริญทำให้มากเช่น พชง7ประการเนี่ยนะั่ึงได้แก่มีได้แก่สติวิริยะสมาธิปัสัตถิปิติปราโมทอุเบขาธรรมวิจัยธรรมวิจยะหรือว่าอริรมากมีองค์8เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องภาวนาหรือทําให้มากขึ้นแน่นจะได้ว่าเนี่ยการการละอาสวะหรือกิเลสหรือว่าความทุกข์มันทําได้หลายอย่างนะแต่ว่าสิ่งสําคัญที่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 มันจะช่วยทําให้อารมณ์ต่างๆเนี่ยไม่เข้ามาก่อเกี่ยวจิตใจได้เกิดขึ้นก็รู้ทันแล้วก็วางไม่ต้องไปผลักสาไม่ต้องไปกดข่มในทางตรงข้ามในการผลักสาการกดข่มอารมณ์เนี่ยมันกลับทำให้มันสะสมหมักหมหมมากขึ้นมีความขุ่นเคืองใจมีความไม่พอใจแล้วไปกดมันเอาไว้ แทนที่จะรู้เฉยๆเนี่ยมันกลับสะสมและหมักหมมเอาไว้ถ้าหมักหมมมากๆมันก็รอวันระเบิดความรู้สึกผิดอย่างที่พูดเมื่อวานก็เหมือนกันน่ยถ้าไปกดข่มมันเอาไว้มันก็ไม่ได้หายไปไหนมันก็รอวันปะทุออกมาคอยโผ่คอยทิ่มแทงทําให้จิตใจเราเศร้าหมองทําให้จิตใจเราย่ําแย่ยิ่งตอนที่สติอ่อน เช่นเวลาใกล้จะตายนี่โมันยิ่งมารบ ก, กวนจิตใจเข้าไปใหญ่ไอ้วิธีการกดขนกดข่มนี่มันไม่ได้ช่วยนะอะไรที่ไม่ชอบที่เกดข่มเอาไวน้นี่มันกลายเป็นปัญหาได้ที่ประเทศออสเตรเลียนี่ก็เคยทดลองนะเอาคนประมาณสักร้อยคนได้นะให้ทุกคนเนี่ยก่อนนอนเขาให้ลองคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ชอบก่อนนอนนะให้ลองคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีและไม่และไม่ชอบ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 อันนี้มันก็พิสูจน์นะแสดงให้เห็นว่าใอ้การกดข่มเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเลยขยะอารมณ์นี่ถ้ากดข่มมันนะมันก็ไม่ได้ไปไหนหรอกมันก็ยังอยู่ในใจนี่แหละแต่ถ้าเรารู้ทันมันนะรู้ทันนะแค่รู้เฉยเฉเนี่ยมันก็มันก็เลือนหายไปมีคนนึงเขาสรุปได้ดีนะพูดเป็นประโยคสั้นๆนะว่า สิ่งใดที่เธอผักสายจะคงอยู่สิ่งใดที่เธอตระหนักรู้จะหายไปอะไรที่เราผักสายเนี่ยมันจะอยู่นะมันแปลกยิ่งอยากให้มันหายมันกลับอยู่แต่อะไรก็ตามที่เราแค่รู้เฉยเฉยเนี่ยมันกลับหายไปรู้เฉยเฉยรู้ซื่อซือนะรื่องที่หลวงปู่ดูลยบอกว่าเนี่ยมีความโกรธแต่ไม่เอาความโกรธมีแต่ไม่เอาปัญหาคือไปเอามันเลยไปเอา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 อันนี้ก็ฝากเอาไว้นะให้พิจารณากันข้ามนี้ก็พูดกันท่อนนี้ออกราบพระ